วันนี้เป็นวันเสาร์ที่ยี่สิบห้ามีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบหกเป็นวันที่ท่านทั้งหลายผู้มีจิตใยธรรมได้ตั้งใจมาวัดเพื่อที่จะได้มาฟังเทศฟังธรรมมาฟังเรื่องราวของพระพุทธศาสนาว่า พระพุทธศาสนานี้มีจุดประสงค์อันใดบ้างจุดประสงค์ของพระพุทธศาสนานก็คือต้องการที่จะสอนให้ผู้ที่ต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้หลุดพ้นจากความทุกข์กันอันนี้เป็นความปรารถนาของพระพุทธเจ้าใน การที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมมาเทศนามีความสงสารในสัตว์โลกอย่างพวกเราที่ยังติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่แล้วก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าไม่มี ผู้ที่รู้วิธียุติการเวียนว่ายตายเกิดคือพระพุทธเจ้ามาปรากฏขึ้นมาในโลกและนำเอาวิธีการยุติการเวียนว่ายตายเกิด น, นี้มาเผยแผ่สั่งสอนก็จะไม่มีวันที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดที่ ได้เวียนว่ายตายเกิดกันมาอยา่างยาวนานจํานวนภบชาติที่ได้มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายนี้ดีมากจนไม่สามารถนับได้ด้วยตัวเลขนับได้ด้วยการประมาณเอาจากการเอาน้ําตาที่ที่หลั่งออกมาแต่ละพบแต่ละชาติ ทุกคนที่มาเกิดนี้ต้องร้องไห้กันเพราะเจอความทุกข์ต่างๆกันนั่นเองถึงทำให้ต้องมีการร้องไห้กันน้งตาที่ร้องไห้จากการที่ได้เจอกับความทุกข์ต่างๆในแต่ละภพแต่ละชาติถ้าสะสมเอามารวบรวมกันเอาไว้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า น้ำตาที่พวกเราหลังกันนี้มีมากยิ่งกว่าน้ําในมาหาสมุทรคิดดูกันแล้วกันว่าน้ําในมาหาสมุทรนี้มีมากมายขนาดไหนแต่ยังน้อยกว่าน้ําตาของพวกเราที่ได้เคยหลังมาแล้วในอดีตชาติที่นับจำนวนไม่ได้น้ําตาที่เราหลังกันมานี้มามารวบรวมกันแล้ว มันมีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรสนี่คือความทุกข์ของพวกเราที่พวกเราอาจจะไม่รู้กันเพราะพวกเราคิดไม่เป็นก็เลยไม่รู้ว่า <c oughs> สถานภาพของพวกเรานั้นเป็นอย่างไร <c oughs> พวกเรานี้เป็นเหมือนนักโทษที่ติดอยู่ในคุกในตารางตลอดชีวิตตลอดชีวิตของจิตใจ ไม่ใช่ตลอดชีวิตของร่างกายร่างกายนี้มันไม่มันไม่กี่ปีมันก็ตายเกิดมาอยู่ในโลกนี้ไม่เกินน้อยปีก็ตายกันแต่จิตใจของพวกเรานี้มันไม่มีอายุไขมันไม่มีวันตายดนั้นการถูกจําโกจําจําคุกลงโทษให้จําคุกตลอดชีวิตนี้ก็หมายถึง ตลอดเวลาตลอดอนันตการไม่มีวันที่สุดยกเว้นว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาโปรดทะนนั้นเองมาอภัยโทษเราคงเคยได้ยินข่าวเวลาที่พระเจ้าแผ่นดินท่านมีวันสำคัญสำคัญท่านมักจะมีประทานพระราชาทานอภัยโทษให้แก่ผู้ที่ติดทุกข์ติดตาราง ให้นลดโทษลงมาเหลือครึ่งหนึ่งบ้างหรือให้พ้นโทษเลยบ้างก็มีพระพุทธเจ้าก็เหมือนพระราชามหาการ์ที่มาโปรดพวกเราที่เป็นเหมือนนักโทษที่ติดอยู่ในคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายให้ได้พ้นโทษออกมากันไม่มีใครที่จะพระราชท า, านอภัยโทษ ให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราได้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นและวิธีการอภัยโทษของพระพุทธเจ้าก็คือสอนวิธีการหลุดพ้นจากความทุกข์ให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราถ้าพวกเรามีความปรารถนาอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ เราจะไม่ผิดหวังถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธเจ้าเองโดยตรงก็ดีหรือพบกับตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคำสั่งคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้และมีการบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกหรือพระอริยสงสาวงศของพระพุทธเจ้าผู้ที่ได้ศึกษา ได้ปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าจนได้หลุดพ้นจากความทุกข์นันนี่คือแหล่งของความรู้ที่จะให้เราเรียนรู้วิธีการหลุดพ้นจากความทุกข์ว่าจะต้องทําอย่างไรบ้างนี่แหละคือเรื่องของพระพุทธศาสนาคือเรื่องของคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้า และคำสั่งคำสอนของพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าที่สอนอยู่เพียงเรื่องเดียวเท่านั้นก็คือเรื่องของการหลุดพ้นจากความทุกข์พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่าพระธรรมของพระองค์นี้ถึงแม้จะมีมากมายก่ายกองทรงสแสดงธรรมทุกวันวนลาสี่ครั้งสามสี่ครั้งด้วยกัน ตลอดระยะเวลา45ปีที่ทรงประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกมีจำนวนมากจนนับไม่ได้<ม>ประมาณได้ประมาณ 84,000 ธรรมขันธ์ธรรมบทมมคือที่มีบันทึกบันทึกบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกมี 84,000 บทด้วยกัน ธรรมะของพระพุทธเจ้าถึงแม้จะมีหลากหลายมากมายก็ตามแต่มีเนื้อหาสาระนี้เป็นหนึ่งเดียวอันเดียวเท่านั้นเหมือนกับรถของน้ำทะเลน้ำมหาสมุทรถึงแม้น้ำทะเลมหาสมุทรนี้จะ ก, กว้างใหญ่ไพศาลมากมีปริมาณน้ำมากมายเพียงไรก็ตามแต่น้ำในมหาสมุทรหรือน้ำในทะเล นี้จะมีรสชาติเหมือนกันหมดไม่ว่าจะไปตากที่ไหนตากที่ประเทศไหนไปอยู่ที่ประเทศไหนถ้าไปที่ทะเลไปสัมผัสกับรถทะเลเราก็จะรู้ว่ามันเป็นรสเดียวกันหมดก็คือรสของความเข็มนั่นเองคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันถึงแม้จะมีสั่งสอนหลากหลายอย่างด้วยกัน แต่ทุกคาสอนนี้พุ่งเป้าไปที่การหลุดพ้นจากความทุกข์เพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาศึกษาพระธรรมคาสอนเราถึงควรที่จะคำหนึ่งหรือให้รู้ตระหนักให้รู้ว่าสิ่งที่เราจะได้รับจากการศึกษาจากการปฏิบัติตามคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้านี้ สิ่งที่เราจะได้ก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ตามลำดับแห่งการปฏิบัติของเราเพราะคำสั่งคำสอนการปฏิบัตินี้เป็นขั้นเป็นตอนเริ่มจากขั้นละขั้นง่ายไปสู่ที่ขั้นยากไปเหมือนกับการศึกษาในระบบการเรียนการอของของโรงเรียน เวลาเริ่มต้นก็ต้องเริ่มที่ขั้นแรกก่อนก็คือขั้นอนุบาลแล้วค่อยขยับขึ้นสู่ขั้นปฐมขั้นมัธยมแล้วก็ขึ้นสู่ขั้นมหาวิทยาลัยตามลาดับต่อไปแต่ทุกขั้นของการสอนนี้ก็มีไว้เพื่อให้ความรู้ที่จะได้นาเอาไปใช้เป็นวิชาชีพที่สามารถที่จะเอาไปกำจัดความ ทุกยากลาบากของการเลี้ยงดูสังขารร่างกายได้ที่เราส่งลูกหลานไปเรียนหนังสือกันก็เพื่อที่ให้เขาได้มีความรู้เมื่อมีความรู้แล้วเขาจะได้นำเอาไปรประกอบสัมมาชีพกันเลี้ยงชีพให้อยู่อย่างสุขสบายแต่นี่เป็นการปลดปลื้งความทุกข์ทางร่างกายเท่านั้น หรือแม้เขาจะเรียนจบมหาวิทยาลัยก็ตามสิ่งที่เขาได้เขาเพียงได้เพียงครึ่งเดียวคือได้ดับความทุกข์เพียงครึ่งเดียวคือดับความทุกข์ทางร่างกายเขาจะไม่ลาบากจะไม่อดยาขาดแคลนเพราะเขาจะมีอาชีพที่จะสามารถหารายได้ให้กับเขาให้เขาได้ไปซื้อปัจจัยสี่คืออาหารเครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยยารักษาโรคมาเลี้ยงดูเขาความทุกข์ทางร่างกายนี้เขาจะไม่มีเขาจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทางร่างกายได้แต่ความทุกข์ทางจิตใจนี้เขายังต้องทุกกันอยู่เพราะว่าไม่มีโรงเรียนที่ไหนระดับการศึกษาในระดับใดสอนวิธีการดับทุกข์ทางด้านจิตใจ มีแห่งเดียวเท่านั้นก็คือพระพุทธศาสนาที่จะสอนวิธีของการดับทุกข์ทางด้านจิตใจให้แก่ผู้ที่สนใจผู้ที่ปรารถนาอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสมบูรณ์จาเป็นที่จะต้องมาศึกษาวิธีการดับทุกข์จากพระพุทธศาสนาเท่านั้น ถ้าไม่มาศึกษาจากพระพุทธศาสนาจะไม่มีวันพ้นทุกข์ได้และสิ่งที่จะได้จากการศึกษาการปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้าก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทางด้านจิตใจถ้ามาหวังมุอย่างอื่นก็จะผิดหวังบางท่านคิดว่าศาสนาพุทธนี้เป็นที่ให้โดนบัรดานให้เราได้สิ่งต่าง ที่เราอยากได้กันให้เราล้ำรวยกันให้เรามียศมีตำแหน่งกันให้เราได้รับรางวัลเกียรติยศต่างๆกันให้เรามีความสุขทางตาหูจมูกลื่นกายกันถ้านี่เป็นสิ่งที่เราต้องการจากพระพุทธศาสนานี้ก็ขอบอกได้เลยว่าอาจจะผิดหวัง เพราะว่าพระพุทธศาสนานี้ไม่ได้สอนให้พวกเราไปหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆเพราะว่าลาบยศสรรเสริญ ส, สุขนี้มันเป็นทุกข์นั่นเองมันเป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ไม่จีรังถาวร ไม่ยั่งยืนไม่อยู่ตลอดไปไม่ได้เป็นของที่เราสามารถที่จะครอบครองไว้เป็นของเราไปได้ตลอดได้มาแล้ววันใดวันหนึ่งไม่ช้าก็าเร็วก็จะต้องมีอันสิ้นสุดลงหมดไปถ้าถ้าไปยึดไปติดก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือ สิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจในเบื้องต้นบางคนคิดว่าโอ๊ยทําบุญทําทานรักษาศีลปฏิบัติทาไม่เห็นร่ารวยสะทีไม่เห็นได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลยอยากเป็นใหญ่เป็นโตแต่ทำมายังไงก็ยังงั้นอยู่อันนี้ก็เลยเกิดความผิดหวังได้และอาจจะเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่นก็ได้ จะไปนับถือศาสนาที่มีการสัญญงสัญญาว่าถ้ามานับถือศาสนานี้แล้วชีวิตจะรุ่งเรืองอะจะร่ำรวยจะเป็นใหญ่เป็นโตจะมีรางวัลอะไรต่างๆมากมายจะมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายตลอดเวลาเนี่ยคนบางคนเปลี่ยนศาสนากันโดยเฉพาะ เด็กยุคใหม่นี้ที่ไม่มีการอบรมสั่งสอนเรื่องของพระพุทธศาสนาตั้งแต่เยาว์วัยในสมัยก่อนนี้ยังทางโรงเรียนยังมีการสอนวิชาพุทธศาสนากัน mm hmm. เด็กจะรู้เรื่องราวคําสั่งคําสอนของพระพุทธศาสนา mm hmm. แต่ยุคนี้สมัยนี้ทางโรงเรียนไม่มีการสอนเสียแล้ว เรื่องของพระพุทธศาสนาก็ mm hmm. เ, าเห็นว่าไม่ได้ช่วยในการที่จะทำให้เจริญทางราบยศสารเสริญสุขนั่นเอง mm hmm. ก็เลยตัดวิชาทางพระพุทธศาสนาไป mm hmm. เด็กที่พ่อแม่ครอบครัวนับถือพุทธศาสนาบางคนก็ไม่ยอมนับถือศาสนาต่อไป mm hmm. ประกาศบอกพ่อแม่เลยว่าไม่เชื่อ ไม่เชื่อเรื่องคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าว่ามีคุณมีประโยชน์อะไรกับเขามีแต่จะทำให้เขานี้ไม่ร่ารวยไม่เจริญก้าวหน้าสอนให้เขาอยู่แบบมากน้อยสันโดษสอนให้เขาเสียสละแบ่งปันบริจาคเงินทองเข้าของต่างๆเป็นสิ่งที่เขาเห็นว่ามันเป็นการ เป็นการทวงความเจริญทางราบยศเสรเสริญสุขของเขาเขาต้องการมีราบมีทรัพย์สมบัติเยอะๆเขาก็ต้องเก็บเงินเก็บทองที่เขาหาไว้ได้ไว้ใช้เองหรือเอาไปเพิ่มทุนเอาไปขยาย เ, าเงินให้มีขึ้นมากขึ้นไปการที่จะเอาเงินเหล่านี้ไปทำบุญทำทานนี้ เขาเห็นว่ามันก็เป็นการสกัดกั้นความเจริญของเขานี่นเองเขาแล้วก็มีข้อห้ามต่างๆที่ไปสกัดกัน้นการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายของเขาห้ามไม่ให้ดื่มของมึนเมาต่างๆไม่ให้เสพยาที่จะทำให้เกิดการมึนเมาต่างๆขึ้นมาห้ามไม่ให้ประพฤติผิดประเพณีอันนี้เป็นสิ่งที่ไปขัดกับ ความปรารถนาของคนรุ่นใหม่ของเด็กรุ่นใหม่ที่ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนจากบิดามารดาหรือจากการพาบุติดาของตนให้เข้าหาพระพุทธศาสนากันในสายตาของเขาเขากลับเห็นศาสนาพูดเป็นศาสนางมงายไปเห็นว่าเป็นศาสนาที่ ที่เขาไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้เห็นได้ว่าทำแล้วเขาได้อะไรจากการกระทำตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เนื่องจากการที่เขาไม่ได้ศึกษาคำสั่งคำสอนนั้นเองถ้าเขาได้ศึกษาแล้วเขาก็จะเข้าใจว่าการทัาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ มีไว้เพื่อดับความไม่สบายใจต่างๆดับความทุกข์ใจต่างๆที่ที่เกิดขึ้นในใจของเขาอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กสมัยใหม่นี้ไม่ค่อยสนใจเรื่องทางศาสนาเท่าไหร่เพราะขาดการศึกษาอย่างแท้จริง สิ่งที่เขาได้ศึกษาได้เห็นก็เป็นเรื่องที่เขาไม่เข้าใจกันเช่นการทำพิธีกรรมอะไรต่างๆการไปขอน้ำมนการไปใช้เครื่องของวัตถุมงคลต่างๆเหล่านี้ <S <S เขาไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มีคนมีค่ามีประโยชน์อย่างไรซึ่งตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ของเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้กระทากันพระพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้สร้างวัตถุมงคลกันไม่เคยสอนให้เราบูชาวัตถุมงคลกันมีคนในสมัยพุทธกาลเคยนาเอาพระพุทธรูปมาถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกอันนี้ไม่ใช่ตัวเราเราไม่ใช่เป็นพระพุทธรูป พระพุทธรูปนี้ไม่ใช่เราสิ่งที่คือเราคืออะไรพุทธเจ้าบอกสิ่งที่คือเราก็คือพระธรรมคำสอนที่เราสอนให้พวกเธอนามาไปปฏิบัตินี่คือตัวเราถ้าอยากจะอยู่ใกล้เราอยากจะมีเราอยู่กับเธอไปตลอดก็ให้เธอปฏิบัติตามคำสั่งคาสอนของเรา เพราะว่าเมื่อเธอได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว mm hmm. ก็จะมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา mm hmm. คือมีความเข้าใจถึงความความจริงที่พระเจ้าได้ทรงตัดฉลุ mm hmm. ก็คือพระอริยรรสัจสี mm hmm. ว่าความทุกข์ของใจนี้เกิดจากความอยากที่มีอยู่ในใจ และการจะดับความทุกข์ของใจก็ต้องใช้การปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาหรือนิทานศีลภาวนาที่จะสามารถดับความทุกข์ทางใจได้พอนำเอาไปปฏิบัติก็จะปรากฏธรรมเหล่านี้ขึ้นมาในใจสามารถนำเอาศีลสมาธิปัญญาหรือนิทานศีลภาวนาที่ได้ปฏิบัตินี้มาดับความทุกข์ภายในใจได้ พระพุทธเจ้าบอกนี่คือวิธีที่จะบูชาพระพุทธเจ้าให้บูชาด้วยการปฏิบัติบูชาอย่าบูชาด้วยการบูชาวัตถุมงคลต่างๆสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่โตมาโหฬารจะองค์ใหญ่องค์เล็กก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่ไปตามขนาดของ พระพุทธรูปที่สร้างกันใต่อย่างไดพระพุทธเจ้าที่จะยิ่งใหญ่มากน้อยนี้อยู่ที่การปฏิบัติ ธ, ธรรมของพวกเราถ้าเราปฏิบัติมากเราก็จะได้ทำปรากฏขึ้นมาในใจมากถ้าเรามีทมปรากฏขึ้นมาในใจมากเราก็จะเห็นพระพุทธเจ้ามากขึ้นใหญ่ขึ้นพระพุทธเจ้าบอกผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ต, ถ, ตถาคตตถาคตนี้คือชื่อที่พระพุทธเจ้าเรียกพระ อ, องค์เองเวลาพระ อ, องค์กล่าวถึงพระ อ, องค์เองพระ อ, องค์จะพูดตถาคตเราคือตถาคตผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ที่เห็นตผู้ที่เห็นเราเห็นตถาคตก็คือผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมนั่นเองและผู้ที่จะมีดวงตาเห็นธรรมได้ ก็ต้องเป็นผู้ที่มีการปฏิบัติบูชานั่นเองก็คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ<ม>ผู้ที่มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะบรรลุเป็นพระอาริยบุคคลขั้นต่างๆเป็นพระสุปฏิปันโนเกินขึ้นมาเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์บุคคลเหล่านี้แหละเป็นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรม แล้วก็ดับความทุกข์ที่เกิดจากการมีดวงตาเห็นธรรมไปเป็นขั้นๆจากขั้นที่หนึ่งไปถึงขั้นที่สี่พอขั้นที่สี่ก็มีการเห็นธรรมเต็มดวงความมืดบอดที่มาสร้างความทุกข์ใจก็จะหายไปหมดพอความมืดบอดที่สร้างความทุกข์ใจในใจหายไปหมดความทุกข์ในใจก็หายไปหมดอันนี้แหละเป็นวิธีการ บูชาที่ถูกต้องแต่เราชาวพุทธนี้ไม่ได้ศึกษาพราะธรรมคำสอนกันอย่างจริงจังก็เลยถูกคนที่ไม่ได้ศึกษาอย่างจริงจังนี้มาสอนวิธีผิดๆให้กับพวกเราเอสอนให้พวกเรากราบไหว้พระพุทธรูป ก, กันให้พวกเรามาสร้างพระพุทธรูป ก, กัน แล้วก็กราบว่าพระพุทธรูปแล้วก็อยากได้อะไรก็ขอพรจนปรากฏมีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ตามวัดต่างๆที่มีคนเข้าไปกราบขอพรกันเป็นจำนวนมากทั้งๆ ท, ที่พระพุทธรูปนั้นไม่ได้ทำอะไรให้กับผู้ที่ไปขอพรเลยและผู้ที่ไปขอพรนั้นก็มีทั้งผู้ที่สมหวัง และผู้ที่ผิดหวังผู้ที่ผิดหวังก็มักจะไม่ได้พูดอะไรก็เพียงแต่ตั้งความหวังว่ายังไม่ถึงเวลาพวกที่สมหวังก็จะเป็นผู้มาประกาศมาเล่าให้พูดฟังว่าเอถ้าอยากได้อะไรนี้ถ้าไม่มีทางไหนแล้วก็ลองไปหาพระพุทธรูปองค์นี้วัดนี้ดูไปกราบแล้วก็ขอพร จุดธูปเทียนสามดอกแล้วก็บริจาคเงินใส่เข้าไปในตู้แล้วอยากจะได้อะไรก็อยากจะได้ดังใจหมายอันนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องของหลักของพระพุทธศาสนาที่เป็ น, าปนคาสอนที่เป็นหลักของเหตุผลทําอย่างนี้แล้วจะได้อย่างนี้พระพุทธศาสนาไม่เคยสอนว่าถ้ามาขอ พรจากพระพุทธรูปแล้วจะได้ตามที่ปรารถนาอยากจะได้ทรัพย์ก็จะได้ทรัพย์อยากจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์ก็จะได้ยศถาบรรดาศักดิ์อยากจะได้อะไรก็ได้ในสิ่งที่ปรารถนาอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ทำให้คนยุคใหม่เขาเห็นว่าเป็นเรื่องงมงายเพราะว่าเขาก็ลองขอดูแล้ว พอขอครั้งสองครั้งไม่ได้เขาก็รู้แล้วว่ามันไม่ได้เป็นเป็นไปตามที่เขาพูดเขาโฆษณากัน mm hmm. ก็เลยเห็นว่าศาสนานี้เป็นศาสนาที่ไร้ผลประโยชน์สาหรับเขา mm hmm. เพราะสิ่งที่เขาเห็นหรือสิ่งที่เขาได้รับการเรียนรู้นี้มันไม่ได้ตรงกับหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเลย mm hmm. หลักธรรมของพระพุทธเจ้านี้ทรงสอนให้เราปฏิบัติ ถ้าเราต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเรานี้เราต้องปฏิบัติทมที่พระเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาถ้าเราได้ปฏิบัติตามที่พระเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาเราก็จะได้ดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้ อันนี้แหละคือสิ่งที่เราชาวพุทธควรที่จะเรียนรู้กันเข้าใจกันว่าพระพุทธศาสนานี้ไม่ได้เป็นศาสนาที่ให้เราขออะไรต่างๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นพระพุทธรูปเป็นต้นพระพุทธเจ้าไม่เคยขอเคยสอนให้ขอขอให้ได้สิ่งนั้นขอให้ได้สิ่งนี้แม้แต่การขอให้หลุดพ้นจากความทุกข์ก็ขอไม่ได้ อยากจะรุ่หลุดพ้นจากความทุกข์ต้องศึกษาแนวทางของการดับความทุกข์ว่าต้องทําอย่างไรและเมื่อได้ศึกษาแล้วก็ต้องนําเอาไปปฏิบัติตามแนวทางนั้นแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมานั่นเองพระพุทธเจ้าถึงได้หลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าเราอยากจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างไร ก็ไปดูแนวทางที่พระเจ้าได้ทรงปฏิบัติเราต้องศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าและศึกษาประวัติของพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายท่านปฏิบัติไปแนวทางเดียวกันทั้งหมดทางที่จะนำไปสู่การดับทุกนี้ก็มีอยู่สามระดับสาสามขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกก็คือการทำทาน ขั้นตอนที่สองก็คือการรักษาสิ่งขั้นตอนที่สามก็คือการภาวนาการภาวนา น, นี้ก็มีแบ่งเป็นสองขั้นตอนขั้นแรกก็เรียกว่าสมาธิ <ide> ขั้นที่สองก็เรียกว่าปัญญา <ide> ซึ่งบางทีเราก็มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งเช่ <ide> นขั้นแรกที่เราเรียกว่าสมาธินี้เราก็เรียกว่าสามถภ า, าวนา ทำใจให้สงบเป็นสมาธิ<ม>ขั้นที่สองของการภาวนาเราก็เรียกว่าวิปัสนาภาวนา<ม>สั่งสอนใจให้รู้ให้เกิดปัญญาขึ้นมามอันนี้นี่คือการปฏิบัติสี่ขั้นตอนด้วยกันถ้าอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ที่มีอยู่ในใจถ้าอยากจะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการยืน่ายตายเกิด จำเป็นที่จะต้องมาปฏิบัติทำสี่ขั้นนี้คือทานศีลภาวนาได้แก่สมาธิและปัญญาและการที่เราจะปฏิบัติรมเหล่านี้ได้ถูกต้องเราก็ต้องเรียนรู้ว่าทานนี้เป็นอย่างไรศีลเป็นอย่างไรสมาธิเป็นอย่างไรปัญญาเป็นอย่างไร วิธีที่จะเจริญทานจเจริญศีลเจริญสมาธิจเจริญปัญญานี้ต้องเจริญอย่างไรถ้าเราไม่ศึกษาเราก็ไม่รู้เหมือนกับการทำกับข้าวนีเราเวลาไปรับประทานอาหารตามร้านอาหารเราเห็นนะอาหารที่เขาทำมาให้เรากินนี่เห็นแล้วน่ารับประทานน่ากินรับประทานแล้วก็อร่ออร่อยมีรสชาติดี ถ้าเราไม่ไปศึกษาเรากลับไปทำลองทําที่บ้านดูสิรับประกันได้ว่าทําอย่างไรมันก็ไม่ได้อย่างที่เขาทํามาให้เรากินแต่ถ้าเราอยากจะได้เหมือนกับที่เขาทํามาให้เรากินในร้านอาหารเราก็ต้องไปขอเรียนกับร้านอาหารเขาอาจจะไปสมัครทํางานในร้านอาหารเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยพ่อครัวแม่ครัว ดูวิธีการทำกับข้าวอาหารแต่ละชนิดว่าเขาทำอย่างไรพอเราได้เห็นวิธีการที่เขาทำแล้วเราก็สามารถที่จะนำมาไปทำต่อไปได้เองทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ถ้าเรายังไม่เคยทำมาก่อนเราต้องศึกษาก่อนว่าจะต้องทำอย่างไรถึงจะทำให้ได้ถูกต้องได้ผลที่เราต้องการ เช่นเดียวกับการที่เราจะทําการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์นี้เราจะต้องทําอย่างไรกันเราก็ต้องศึกษาจากพระพุทธเจ้าหรือศึกษาจากตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือศึกษาจากพระธรรมคาสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนะืศึกษาจากคําสอนของพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้า ผู้ที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วนั่นเองแล้วไม่ว่าเราจะไปศึกษาจากพระพุทธเจ้าก็ดีศึกษาจากพระไตรปิฎกก็ดีศึกษาจากพระานันตสาวก็ดีคำสอนของท่านก็จะเป็นเหมือนกันหมดท่านก็จะสอนทำสี่ข้อนี้สอนให้เราทําทานสอนให้เรารักษาสีสอนให้เราพาวนา ให้เราเจริญสมมาทพวนาคือสมาธิแล้วหลังจากที่เราได้สมาธิเราค่อยไปเจริญวิปัสสนาภาวนาคือการเจริญปัญญาตามลำดับต่อไปถ้าเรารู้จักวิธีการปฏิบัติทำขั้ น, นต่างๆเหล่านี้แล้วเราก็จะสามารถดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้ ดังนั้นสิ่งที่เราต้องมาศึกษากันก่อนคือข้อแรกก็คือการทำทาน <Yeah. S 1> ทานนี้แปลว่าให้การให้ mm hmm. เช่นโยมมีมีกระเป๋าสงใบ mm hmm. แล้วก็ใช้เพียงใบเดียว mm hmm. ไม่รู้อีกใบหนึ่งจะเก็บไว้ทำไมก็ mm hmm. ดีเห็นเพื่อนเขาไม่มีกระเป๋า mm hmm. เขาอยากได้กระเป๋า mm hmm. เราก็เลยอ้าให้เขาไป ให้เขาได้มีกระเป๋าไว้ใช้เขาจะได้มีความสุขจากการเสียสละของเราเราเก็บเอาไว้เราก็ไม่ได้อะไรได้ความทุกขจากการที่เราจะต้องคอยดูแลรักษากระเป๋าใบที่เราไม่ใช้นั่นเองเรามีสมบัติอะไรมีอะไรนี้มันจะเป็นความทุกข์กับทางใจเราเพราะใจของเราจะไปมีความผูกพันกับของที่เรามีอยู่ เราจะมีความหวงแล้วเราก็จะมีความหวงความกังวลกังวลว่ากระเป๋าเราของของเรานี้จะอยู่กับเราไปตลอดหรือไม่จะถูกใครเข้ามาขาโมยเอาไปหรือไมอนนอ่อันนี้นะคือสิ่งอันนี้แหละเป็นความทุกข์ความทุกข์ที่เกิดจากการมีของมากเกินความจำเป็นที่จะต้องมีเพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงสอนว่า อย่าไปมีของมากเกินไปเพราะมันเป็นการสร้างความทุกข์ทางใจใอาจจะสร้างความรู้สึกที่รู้สึกมีความสุขว่าโฮ้ยเรามีเข้าของมากนะมขนนีของนู่นของนี่ของใช้เยอะแยะไปหมดแต่ประโยชน์จริงๆเราได้จากมันหรือไม่มันไม่ไดนะ้ของที่มันเราไม่ได้ใช้มันมีมีไว้เพียงแต่มีเก็บเอาไว้เฉยๆนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์อะไรกับเรา นอกจากเป็นภาร่าทางจิตใจสร้างความกังวลสร้างความห่วงใยแล้วถ้าเกิดเกิดมีการสูญเสียไปก็จะเกิดความเสียอกเสียใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเช่น mm hmm. เกิดมีขโมยขึ้นบ้าน mm hmm. ขโมยเอาของต่างๆที่เรามาอยู่ไป เ, เราจะรู้สึกเสียอกเสียใจขึ้นมา mm hmm. นี่แหละคือการมีสมบัติมากเกินไป การมีข้าวมีของอะไรที่มันเกินความจําเป็นนี้มันจะเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจเพราะพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้พวกเราสละมันออกไปอย่ากเก็บเอาไว้เพ mm hmm. ราะว่ามันไม่ได้ทําประโยชน์อะไรให้กับเรา mm hmm. มันตั้งอยู่เฉยๆตายไปเราก็เอามันไปไม่ได้ทรัพย mm ์ hmm. ส, สมบัติทั้งหลายที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะมีกี่ร้อยล้านพันล้านก็ตาม ตายไปนี่เอาไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียวเราคงได้ยินข่าวเมื่อเร็วๆนี้ก็มีภรรยาของมหาเศรษฐีอาจจะเป็นอดีตหนึ่งของประเทศแล้วมั้งที่ต้องเสียชีวิตไปไตายไปแล้วเอาสมบัติที่เขามีอยู่นี้ไปได้ไหมไม่ได้แม้แต่บาทเดียวแม้แต่สลึงเดียวเอาไปไม่ได้เลยแม้แต่ร่างกายของเขาเองที่เขารักเขาหวง ก็เอาไปไม่ได้ของพวกนี้นหะที่เป็นตัวที่สร้างให้สร้างความทุกข์ให้กับใจของเขามีอะไรแล้วมันจะต้องรักต้องหวงต้องห่วงแล้วเวลาเกิดการสูญเสียไปก็เกิดความทุกข์ใจเสียมากก็จะทุกมากเสียเนาะมีน้อยก็จะทุกน้อยเพราะมีน้อยก็จะเสียน้อยมีมากก็จะเสียมากะ คนที่ทุกข์มากเวลาตายไม่ใช่คนจนคนจนนี่ไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่เพราะไม่มีอะไรจะเสียขอทานนี่เขาไม่มีอะไรต้องเสียเขาไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่แต่คนที่ทุกข์มากก็คือคนที่มีมีมากที่จะต้องเสียมากนี่คนยิ่งรวยเท่าไหร่เนี่ยเวลาตายเนี่ยจะทุกข์มากที่สุดถ้าอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนที่ทุกข์มากที่สุดในเวลาตายก็คือเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศไทยนี่แหละถ้ามาถามเรา จะไม่มีใครจะทุกข์มากเท่ากับเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศไทยเพราะเขามีสมบัติมากที่สุดในประเทศไทยไม่มีใครมีมากเท่ากับเขาสมบัติที่เขามีอยู่นี้เขาก็ต้องรักเขาก็ต้องห่วงเขาจะต้องเสียใจเวลาที่เขาต้องสูญเสียสมบัติเหล่านั้นไปอันนี้แหละคือความทุกข์ในการที่มีสิ่งของต่างๆมากเกินความจาเป็นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราชาวพุทธ ถ้าเราปรารถนาการดูดพ้นจากความทุกนี้ให้เราหมั่นระบายทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เรามีมากเกินไปนี้ไปดีกว่าอย่างมีเศรษฐีคนหนึ่งก็เบิจากเงินให้โรงพยาบาลรามาเก้าร้อยล้านบาทเพราะก็เห็นว่ามีแล้วมันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นทุกข์กับเขา่ะเขาต้องมากังวลกับเงินก็นั้นว่าเขาจะต้องทําไงกับมันดีจะเก็บรักษาไว้ที่ไหนดี ้ะปลอดภัยอะไรต่างๆมันจะเป็นภาระเป็นเรื่องของความทุกข์ทางด้าน จ, จิตใจถ้ามีอะไรแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องมีแต่พอสละมันออกไปได้ระบายมันออกไปได้ให้มันออกไปจากการเป็นของของเราได้แล้วมันรู้สึกโล่งอกโล่งใจสบายใจขึ้นมาทันทีความทุกข์ที่มีอยู่กับเงินเก้าร้อยล้านนั้นก็หายไปหมด เวลาตายก็ไม่ต้องมาทุกข์กับเงิน900รอล้านนั้นตายอย่างสบายตายอย่างสงบนี่คือเรื่องคำว่าทานแปลว่าการให้ให้เราให้ในสิ่งที่เรามีเกินมากเกินไปเกินความจำเป็นร่างกายเราต้องการของ4อย่างเทงนั้นก็คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเท่านั้นเอง พอเรามีของทั้งสี่อย่างนี้นะับถ้ามีมากเกินไปเราไม่ได้ใช้มันก็เอาไปบริจาคเถิดบางทีมีเสื้อผ้าอยู่เต็มตู้เเคยเคยถามตัวเองมากๆเราเก็บไว้ทำไมเก็บไว้มาไม่รู้กี่เดือนกี่ปีไม่ได้ใช้มันเลยเก็บไว้แล้วมาเป็นภาราเปล่าต้องมาต้องหาที่เก็บอีก อ, อันนี้ลองเอาไปบริจาคเอาไปให้ทานเถิด แล้วจะทำให้ใจเราโล่งใจเราสบายไม่ต้องมากังวลไม่ต้องมาห่วงใยกับทรัพย์สมบัติของที่เราไม่ได้ใช้มไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเรานีแต่สร้างความทุกข์สร้างความกังวลให้กับเรา<ม>นี่คือความหมายของการให้<ม>ให้ในสิ่งที่เรามีมากเกินไป<ม>ถ้าเราไม่มีอะไรจะให้ก็ไม่ต้องให้ อันนี้ไม่ได้ไม่ก็ถือว่าหมดหน้าที่ถ้าเราเป็นคนยากคนจนมีมีเพียงแต่ปัจจัยสี่พออยู่พอกินไปวันหนึ่ง<ม>ก็ไม่มีอะไรจะให้<ม>ก็ไม่ต้องให้ก็ได้<ม>หรือบางคนถึงแม้จะยากจนอย่างไรเขาก็ยังพอที่จะให้ได้เช่นคนจนที่ใส่บาตรทุกวันก็มีอยูเขาก็ยากจนเขาก็ไม่ร่ํารวยอะไรเขาก็กินอยู่แบบลําบากลำบุญ แต่เขาก็ยังมีความตาทะนาที่อยากจะทําบุญก็มีเขาก็ยังแบ่งอาหารของเขาทัา้งข้าวกินเขาก็ยังแบ่งไว้ส่วนหนึ่งไว้ใส่บาตรถึงแม้จะไม่มีกับข้งกับข้าวอะไรใส่เขาก็ใส่ไปตามกำลังของเขาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทําบุญเป็นการปลดเพิ่้ความทุกข์แล้วก็เป็นการสร้างความสุขทางใจไปด้วย เพราะเวลาที่เราได้ให้อะไรกับใครไปนี่เราจะเกิดความสุขใจขึ้นมาเกิดความอิ่มใจเกิดความพอใจขึ้นมาอันนี้คือวิธีการขั้นแรกของการปฏิบัติที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราที่ต้องการที่จะกำจัดความทุกข์จากการมีอะไรมากเกินไปเนี่ยให้เอาไปบริจาคเป็นทานสีให้ไปทําบุญทําทานจะให้ใครก็ได้ อันนี้ผูดรั้ไม่ไม่ไม่ไม่เป็นประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญคือการให้การเสียสละการตัดความผูกพันการตัดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆว่าเป็นเราเป็นของเรานี่เท่านั้นเพราะตามหลักความเป็นจริงแล้วมันไม่มีอะไรเป็นของเราไม่ช้าก็เร็ววันใดวันหนึ่งเราจะต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปคิดว่าเป็นของเราัง รับสมบัติเข้าของเงินทองที่เราคิดว่าเป็นของเราแม้แต่ร่างกายของเราที่เราคิดว่าเป็นของเราวันหนึ่งมันก็จะต้องจากเราไปเพราะทุกอย่างในโลกนี้เป็นเป็นของชั่วคราวเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเป็นของที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นของโลกนี้เป็นของธรรมชาติธรรมชาติให้เรามาแล้ววันหนึ่งธรรมชาติก็จะเอาคืนไป ธรรมชาตินี้ให้ร่างกายเรามาแล้ววันหนึ่งธรรมชาติก็จะมาเอาร่างกายของเรากลับไป<ม>กลับไปสู่ดินน้ำลมไฟนั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ทรมาจากธาตุทั้งสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ<ม>บางอย่างก็เป็นสิ่งที่รวมกันบางอย่างก็เป็นธาตุอันเดียวเช่นของที่เป็นของแข็งเราก็เรียกว่าเป็นธาตุดินของที่เป็นของเหลวเราก็เรียกว่าธาตุน้ำ งบางอย่างมันก็มีส่วนผสมของาธาตุดินาธาตุน้ำรวมกันบางอย่างก็มีาธาตุลมผสมเข้าไปด้วยเ mm hmm. ช่น น, น้ำเนี่ยน้าดื่มนี่ถ้าเป็นน้ำดื่มเปล่าๆก็มีแต่เพียงมีแต่าธาตุน้ำเพียงอย่างเดียวแต่ถ้าเราใส่สีใส่น้ดใส่กลิ่นเข้าไปมันก็มีาธาตุดินผสมเข้าไปด้วย mm hmm. แล้วถ้าเราเป็นใส่ใส่อากาศเข้าไปอัดลมเข้าไปเป็นน้ำอัดลมขึ้นมา ก็มีทั้งธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมปนกันอยู่นี่คือสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ผลิตมาจากธาตุทั้งสีน่นี้ทั้งนั้นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วเมื่อมันได้รับการมาผลิตมารวมตัวกันแล้วเดี๋ยวมันก็แยกตัวออกจากกันเวลาเราดื่มเครื่องดื่มที่มีน้หวัดลมเข้าไปในร่างกายเราเดี๋ยวมันก็เข้าไปแยกในร่างกาย ธาตุน้ามันก็ออกมาเป็นน้ำปัสสาวะไปธาตุดินมันก็ออกมาเป็นอุจจาระไปธาตุลมมันก็ออกมาจากการหายใจของเรา <le> อันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นของเรา <le> เป็นสมบัติชั่วคราวถ้าจะคิดว่าเป็นของเราก็เป็นของเราชั่วคราวของอยืมามากกว่าเป็นของเรายืมมาจากธรรมชาติ แล้ววันดีคืนดีธรรมชาติก็มาขอคืนไปเวลามาขอคืนไปก็เกิดอาการเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องห้ากันบางคนก็ร้องว่าทําไมทําไมต้องไปทําไมถึงต้องเป็นอย่างนี้อันนี้ก็แสดงถึงความขาดปัญญาขาดความรู้นั่นเองไม่เคยได้ศึกษาไม่ได้เคยได้ยินคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยว่าของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่ ที่เป็นเราเป็นของเรานีมันไม่ได้เป็นเราเป็นของเราอย่างแท้จริงมันเป็นของที่เรายืนของมายืนจากธรรมชาติมาแล้ววันหนึ่งธรรมชาติก็จะต้องมาเอาคืนไปนี่คือสาเหตุว่าทำไมเราจะควรที่จะไม่ควรมีอะไรมากเกินไปให้มีพอเพียงกับการกินอยู่ เลียงดูร่างกายให้มันสุขสบายไม่เดือดร้อนก็พออย่างที่ในหลวงรัชการที่9ก้าเคยสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงก็คือให้มีสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายให้พอเพียงมีอาหารรับประทานที่พอเพียงมีที่อยู่อาศัยที่พอเพียงมีเครื่องนุ่งหม่มมียารักษาโรคมีเท่านี้ก็พอแล้วสำหรับเรื่องสมบัติอะไรต่าง มีมากกว่านี้ก็จะเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวทุกข์ทั้งขณะที่ต้องหาสิ่งที่เราอยากได้กันเวลาเราอยากได้อะไรเราต้องไปดิ้นรนหากันต้องไปหาวิธีการต่างๆทำธุรกิจทำการค้าทำอะไรการหามันก็เป็นทุกข์ละมันเหน็ดเหนื่อยเมือ่อยล้าถ้าไปหาในสิ่งที่ไม่จำเป็นมันก็เป็นการ หาความทุกข์ให้กับตัวเองโดยโดยไม่จําเป็นแต่ถ้าหาในสิ่งที่จําเป็นก็อันนี้ก็เป็นเรื่องจําเป็นเช่นถ้ายังไม่มีอาหารพอก็ต้องาหาอาหารมาให้พอแต่ถ้าอาหารพอแล้วยังอยากจะไปหามาอีกหามาสะสมเก็บเอาไว้อีกนี<ม>้อันนี้แหละเป็นการไปหาเ ป, เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองเพราะการไปหานี่มันก็ต้องทุกข์มันต้องดิ้นรนมันต้องขวนขวาย ต้องต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆที่อาจจะเป็นสิ่งที่เป็นกีดขวางการที่เราอยากจะได้มาก็าคือรายได้นี่เองที่เราพวกเราบางทีหาเงินหาทองกันนี้บางทีเราไม่เคยคิดเลยว่าเราหามากเกินไปหรือเปล่ามันจำเป็นหรือเปล่าว่าเราจาเป็นจะต้องมีเงินมากมายขนาดนี้เราอาจจะคิดว่ามีเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้อันนี้ก็ถูก ที่มันไม่พอใช้เพราะเราไปใช้ในสิ่งที่เราไม่จําเป็นจะต้องใช้กันนั่นเองทําไมเราไม่มานั่งคิดใช้เหตุใช้ผลกันว่าสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องมีจริงๆมีต้องมีอะไรบ้างแล้วต้องมีเท่าไหร่เช่น<ม>สิ่งจําเป็นก็มีแค่ปัจจัยสี่นี้เท่านั้นคืออาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโ<ม>รคเดือนนึงเราต้องใช้เท่าไหร่กันสำหรับไอ้ปัจจัยสี่นี้<ม><ม>ก็หาดู มันมีหลายราคาด้วยถ้าอยากจะอยู่ง่ายกินง่ายก็ใช้ของราคาที่ไม่แพงนะเจ้มันก็ไม่ต้องใช้มากไม่ต้องหามากมก็อยู่ได้เหมือนกันอยู่แบบถูกๆอยู่แบบแพงๆมันก็ได้ของทําของทำประโยชน์ได้เท่ากันเสื้อผ้าราคาแพงๆกับเสื้อผ้าราคาถูกๆมันก็ทําหน้าที่ได้เหมือนกันหน้าที่ของเสื้อผ้าคืออะไรก็ไว้ปกปิดร่างกายนี่ไว้ป้องกัน ภัยที่อาจจะมากระทบกับร่างกายเช่นอากาศที่หนาวเย็นหรือมแมลงสัตว์กัดต่อยอะไรต่างๆท่านนั้นเองจะมีราคาแพงหรือราคาถูกมันก็ทําหน้าที่ได้เหมือนกันอาหารก็มีไว้เพื่อดับความหิวเพื่อรักษาให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยจะเป็นอาหารราคาแพงๆหรืออาหารราคาถูกๆมันก็ทําหน้าที่ได้เหมือนกัน ในเมื่อสิ่งที่มันทำหน้าที่ได้เหมือนกันแต่มีสองราคาเนี่เราจะไปเสียเงินมากๆไปทำไมแม้เมื่อประโยชน์ที่เราได้รับมันก็เท่ากันเช่นรถยนต์เนี่ยรถยนต์ก็มีหน้าที่พาเราจากจุดนี้ไปสู่จุดนั้นมันราคามันก็มีหลากหลายต่างต่ ง, ตงระดับแสนไปเป็นระดับสิบสิบล้านก็มีแต่ผู้ตามความจริงถ้าเราดูด้วยเหตุด้วยผล มันก็ทําหน้าที่ได้เหมือนกันไม่ใช่หรือเราจําการที่จะเดินทางจากจุดที่หนึ่งไปสู่จุดที่สองรถยนต์ราคาห้าแสนกับรถราคาห้าสิบล้านมันก็พาเราไปถึงจุดหมายอันเดียวกันแล้วเรื่องอราที่เราจะต้องไปเสียเงินถึงขนาดนั้นถ้าเราไม่มีเราก็ต้องดินน้นรนหาเงินกันการดินน้นรนหาเงินนี่ก็เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองนะ น, นี่คือ เรื่องของการมีทรัพย์สมบัติมากเกินไปมันเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจไม่ใช่เป็นการสร้างความสุขให้กับใจคนที่อยากจะมีความทุกข์น้อยที่สุดสำหรับเรื่องของการมีทรัพย์สมบัติเข้าของที่จำเป็นนี้ต้องใช้หลักที่พรเจ้าทรงสอนให้ใช้ก็คือความมากน้อยสันโดษมากน้อยก็คือเอาน้อยๆเอาเท่าที่จาเป็นเท่านั้น ไม่เอามาให้มากกว่าที่เราต้องต้องมีต้องมีเท่าไหร่ก็เอามีแค่เท่านั้นก็พอ<ม>แล้วก็ถ้ามีไม่ได้ตามที่เราต้องการได้น้อยกว่านั้นก็ให้ใช้ความยินดีตามมีตามเกิดยินดีตามมีตามเกิดก็คือสันโดษ<ม>เราเรามีพลังสามารถหามาได้เพียงเท่านี้ทั้งๆที่ความจําเป็นมันยังไม่ยังไม่พอกับความจําเป็นแต่เพื่อเมื่อยังหาไม่ได้ก็ต้อง พอใจไว้ก่อนคือยินดีตามมีตามเกิดไว้ก่อนถ้าเราสามารถทำใจให้เรายินดีตามตามีตามเกิดได้ใจของเราจะไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่ทุกวันนี้ที่ใจของเราทุกข์กันก็เพราะว่ามันไม่ยินดีตามตามีตามเกิดกันได้เท่าไหร่มักจะรู้สึกว่าไม่ไม่พออยากจะได้มากกว่านี้อันนี้เป็นเรื่องของกิเลสที่มาคอยหลอกใจของเราว่าต้องมีมากกว่านี้ถึงจะมีความสุข แต่พอเราได้มากกว่านี้มันก็จะบอกว่าก็ยังไม่พออย่เช่นได้คือมันก็บอกว่าต้องเอาเอาสักศอกหนึ่งได้ศอหนึ่งต้องเอาสักวานึงเงินก็เหมือนกันได้แสนก็ไม่พอต้องเอาสักล้านหนึ่งได้ล้านก็ไม่พ อ, อ ก, ก็ต้องการสิบล้านขึ้นไปอันนี้แหละถ้าเราไม่ใช่ความมากน้อยสันโดษมาเป็นตัวควบคุมบังคับเนี่ยเราจะถูกกิเลสความโลภความอยากนี่มันมาหลอกให้เราต้องไปดิ้นรน ไปหาความทุกมาใส่ใจเราโดยที่ไม่รู้สึกตัวกันแตถ้าเรามีหลักสันโดษมีความหลักๆมากน้อยใช้ตามเหตุตามผลตามมีตามเกิดแล้วความโูปมันจะไม่สามารถที่จะมาหลอกเราให้เราไปหาความทุกมาให้กับใจของเราได้เราจะอยู่อย่างสบายเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยสี่อันนี้คือเรื่องของวิธีการที่เราจะต้องปฏิบัติ ถ้าเราอยากจะกำจัดความทุกข์ที่เกี่ยวกับเรื่องของของเครื่องใช้ไม้สอยเรื่องทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่เราจำเป็นจะต้องมีหรือไม่จำเป็นจะต้องมีเราต้องรู้เราต้องรู้จักแยกแยะว่าอะไรเป็นสิ่งที่จำเป็นอะไรเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นอย่าไปมีมันเถิดหรืออย่าไปอยากได้มันเพราะความอยากได้นี้มันจะเป็นการสร้างความทุกข์ให้แก่ใจของเรา พออยากได้อะไรแล้วมันอยู่ไม่เป็นสุขแล้วมันต้องดิ้นรนต้องไปดิ้นไปหากันเช่นตอนนี้อยากจะได้ตําแหน่งกันอยากจะได้เป็นสอส อ, อยากจะได้เป็นรัฐมนตรีกันตอนนี้อยู่ไม่นิ่งแล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับตื่นเช้าเมื่อายรีบออกไปหาเสียงก่อนเลยเพราะกลัวว่าถ้าไม่หาเสียงแล้วเดี๋ยวไม่ได้คะแนนอันนี้แหละตัวที่พาให้คนเราต้องวุ่นวายกัน ก็คือความโลภความอยากได้ในสิ่งต่างๆนั่นเองแล้วถามจริงๆมันได้มาแล้วมันทําให้เรามีความสุขหรือมีความทุกข์กันนะได้มาแล้วก็ต้องมายึดกับตําแหน่งมาหวงตําแหน่งมาห่วงตําแหน่งแล้วถ้าเกิดมีการสูญเสียขึ้นมาเมื่อะไหร่ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอีกเพราะไม่ว่าจะได้อะไรมาทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องมีวันสิ้นสุดลง มีวันหมดไปดังนั้นอย่าไปหาของเหล่านี้เลยถ้าเราต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าเราต้องการกำจัดความทุกข์เกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่หรือต้องการขอให้เราใช้หลักของเหตุผลใช้หลักของความพอดี<ม>คือให้เราหาได้เท่าที่เท่าที่เท่าที่เราจำเป็นจะต้องมีเท่านั้น แล้วถ้าเกิดเรามีมีความสามารถสูงหรือมีโชคทรรมหากินได้เงินได้ทองมากกว่าที่เราจะใช้ได้หมดด้วยด้วยตัวเราเองเราก็เอาไปแบ่งปันกลับให้กับผู้อื่นนี่คือที่มาของคำว่าทานก็คือการแบ่งปันการเสียสละถ้าเรามีมากเกินกว่าที่เราจะต้องมีเก็บไว้ก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับเรานอกจากเป็นความทุกข์ที่จะ ต้องหวงต้องหวงกับเงินกับของที่เราไม่ได้ใช้เราก็เอาไปบริจาคดีกว่าเอาไปให้กับผู้อื่นแล้วจะทำให้ใจเราไม่ต้องทุกข์กับเรื่องของทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง<ม>ใจที่ไม่ทุกข์กับทรัพย์สมบัตินี้เวลาตายไปก็จะไปสวรรค์เพราะไม่มีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สมบัติมาคอยถ่วงถ้ามีความทุกข์กับทรัพย์สมบัติ ใจจะไม่มีความสงบใจจะมีความวิตกมีความห่วงมีความกังวลมีความทุกข์ใจก็อาจจะไปอบายก็ได้ น, นี่ก็คือประโยชน์ของการทำทานช่วยกำจัดความทุกข์ที่เรามีกับสิ่งต่างๆไม่ว่าสิ่งนั้นเราจะมีหรือไม่มีไม่มีก็อยากได้ก็ทำให้เราทุกข์ ถ้ามีแล้วเราหวงอยากจะเก็บไว้ให้อยู่กับเราไปนานๆมันก็จะทำให้เราทุกข์ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการให้นี้จึงเป็นเรื่องสำคัญ mm hmm. เป็นขั้นแรกของการกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้มันเบาบางลง mm hmm. มีสมบัติน้อยความทุกข์จะน้อย mm hmm. แล้วความอยากจะได้สมบัติมันก็จะน้อยไปด้วย ในเมื่อเราไม่ต้องการสมบัติเราก็ไม่ต้องไปดิ้นหลนไม่ต้องไปดิ้นหลนไปหาสมบัติต่างๆมาครอบครองเราก็จะอยู่เฉยๆอย่างมีความสุขได้ไม่ต้องดิ้นหลนการดิ้นหลนนี้มันเป็นความทุกขนะ์มันไม่ใช่เป็นความสุขดิ้นไปเห น, เ, หน เ, หนเหนือเน็ดเหนื่อยเมื่อยล่าช่วงนี้ต้องออกหาเสียงตั้งแต่เช้าถึงดึกเลยไปหาเสียงไปขอเสียงจากคนนั้นคนนี้ เดือดเหนื่อยเมื่อยล้าเพราะความอยากอยากได้ได้ตําแหน่งได้ยศนี่อยากถ้าคนที่ไม่มีความอยากได้ยศได้ตําแหน่งก็สบายไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องออกไปดินน้นรนหรือถ้ามีตําแหน่งแล้วก็ต้องไม่ยึดไม่ติดเพราะถ้าไปยึดไปติดมันก็จะทําให้เกิดมีความทุกข์ได้เพราะไม่มีอะไรในโลกนี้มันเป็นของที่แน่นอนนั่นเอง มียศแล้วก็อาจจะสูญเสียยศได้มีตำแหน่งก็อาจจะสูญเสียตำแหน่งได้นั้นคำว่าทานนี้มันมันมันครอบคุมกว้างครอบคุมทั้งทั้งสมบัติข้าวของเงินทองและยศถาบรรดาศักด์ต่างๆด้วยหรือความสุขต่างๆที่เราได้จากทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เราต้องอย่าประยธ์อย่าไปติดมันพยายามทาทานไปอย่าไปหวังพึ่งมันให้ความสุขกับเรา เพราะมันไม่สามารถให้ความสุขกับเราได้ความสุขที่เราจะได้นี่ต้องเกิดจากการที่เราไปปฏิบัติทำขั้นต่อไปก็คือการรักษาศีลและการภาวนาเท่านั้นเรื่องต้นนี้เราต้องพยายามตัดเรื่องของการมีทรัพ์สมบัติเข้าของเงินทองอย่าไปอยากเล่ารวยอย่าไปอยากมีสมบัติมากเพราะมันจะสร้างความทุกข์ให้กับเรามากขึ้น มีสมบัติน้อยมันจะทุกน้อยกว่าเพราะว่ามันต้องกังวลน้อยกว่าแล้วก็เวลาต้องพัดภาคจากมันก็จะทุกน้อยกว่าดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าการมีสมบัตินี้เป็นความทุกข์พระองค์เลยต้องตัดสินใจออหนีออกจากพระราชวังไปสละราชสมบัติอันนี้แหละคือตัวอย่างของผู้ที่ต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์กอย่างแท้จริง ต้องสละสมบัติไปหมดเลยไม่หวังพึ่งสมบัติเป็นเป็นเครื่องมาดับความทุกข์เพราะสมบัตินี้ไม่สามารถดับความทุกข์ได้มีแต่สร้างความทุกข์ให้มีอยู่กับใจไปเรื่อยๆนั่นเอง mm hmm. พระเจ้าชายสิทธัตถะก็เลยตัดสินใจสละราชสมบัติ mm hmm. แล้วก็ไปบวชไปรักษาศีลแล้วก็ไปภาวนา mm hmm. พอได้รักษาศีลได้ภาวนาปฏิบัติไป 6ปีก็ได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงอันนี้คือแนวทางของการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าได้ทรงนาเนินมาและทรงนํามามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราวันนี้ก็ได้พูดเรื่องของทานเป็นส่วนใหญ่หรือ เ, เรื่องของศีลและเรื่องของผ่านภาวนานี้ก็คงจะต้องร อ, อโอกาสต่อไปเพราะเวลาก็ใกล้จะหมดพอดี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 จะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้หรือถ้ามีมือถือส่งเข้ามาทางเพจทางเ c e b o o k ก็ได้จะมีทาง y o u t u ู e ก็ได้แล้วจะมีทีมงานนำมามาอ่านถามให้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่วันนี้มี ผู้เราฟังทางเฟซบุ๊กห้าร้อยสามท่าน y o u t u สอง8้แปดสิบห้าท่าน YouTube อกเตอหกสิบสี่ House, ท่านวิทยุออนไลน์สิบท่านคลัสเ o า s e แปดท่านนากุต150ิร้อยห้าสิบท่านรวมทั้งหมดหนึ่งพยี่สิบท่านครับอาจารย์ถ้ามีคำถามก็เชิญถามได้เลยคำถามจากคุณจูนค่ะ สวดมนต์นั่งสมาธิวันละประมาณ30นาทีพอจะมีบุญกุศลบ้างไหมครับผมทํามาได้จะสองเดือนแล้วเนื่องจากแฟนเสียชีวิตและพยายามทําทุกวันก่อนนอนและอุทิศบุญกุศลให้ครับการอุทิศบุญนี้ท่านจะให้ทําทานมากกว่าการภาวนาฉั้นก็ใส่บาตรไปแล้วก็อุทิศไปส่วนการภาวนานี้บุญยังไม่เกิด ยังไม่สำเร็จอยู่ในขั้นของการเหมือนหุมข้าวข้าวยังไม่สุกแต่ถ้าทาทานนี้เหมือนไปซื้ออาหารสำเร็จรูป ม, มาแนละ้วก็สุกแล้วกินได้เลยดังนั้นการอุทิศบุญนี้พระเจ้าทรงสอนให้อุทิศด้วยการทาบุญทาทานอะครัเรื่องการรักษาศีลภาวนานี่ยเป็นเรื่องของส่วนตัวมากกว่าของผู้ปฏิบัติเองแต่อุทิศก็ได้แต่มันยัง มันยังไม่ได้ผลนะข้าวยังไม่สุกยาวแม่งเขากินเขากินไม่ได้อยู่นี้จากคุณอัชนาพรค่ะกับเรียนถามเขาว่าถ้าเราฝากเขาใส่บาตรครูบาอาจารย์ทุกวันเราจะได้บุญไหมเจ้าคะถ้าเราใส่บาตรทุกวันก็ได้บุญจากการทําทานองนี้คำถามต่อไปจากทาง youtube ค่ะลูกวนถามพระอาจารย์ว่าเลิกบวชของพระและแม่ชี พร้อมกับการสึกจำเป็นหรือไม่เจ้าคะไม่จำเป็นหรอกเลิกสึกไม่มีในผู้ศาสนาบวชแล้วไม่มีสึกสมัยพุทธกาลนี้ไม่มีใครศึกกันมีแต่บรรลุธรรมกันหรือตายเท่านั้นน่ะถึงจะเรียกว่าสึกแต่เรื่องการอยู่ดีๆจะมาขอลาสิกานี้ไม่ค่อยมีกันเนะเลิกสึกกงไม่มีมีแต่เลิกลกบวชก็ไม่มีเลิกบวชก็อยู่ที่วันไหน พร้อมทุกอย่างพร้อมก็บวชได้เหวันนั้น mm hmm. ก็เรียกเลิกสะดวกเลิกสะดวกคำถามจากคุณสุกัญญาค่ะกับนมัสการเจ้าค่ะพระธาตุของพระอรหันต์มีจริงไหมคะถ้ามีพระธาตุเกิดจากอะไรเจ้าคะพระธาตุก็คือกระดูกชิ้นส่วนกระดูกบางบา ง, บางชิ้นบางส่วนที่เปลนเปลี่ยนจากกระดูกกลายเป็นเป็นเป็นธาตุก็คือเป็นหินนี่ การที่จะเป็นได้นี้ต้องเกิดจากกับผ้าหลังเพราะว่าผ้าหลานี้ท่านมีจิตใจที่บริสุทธิ์ปราศจากความโลภความโกรธความหลงแล้วความบริสุทธิ์ของจิตใจท่านนี่จะไปฟอ ก, กระดูกให้เป็นาธาตุขึ้นมาได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านเป็นผ้าหลานานหรือไม่นานถ้าเกิดท่านเป็นปั๊บแล้วก็ตายเลยนี่กระดูกของท่านก็อาจจะไม่กลายเป็นพระธาตุขึ้นมาก็ได้ แต่ถ้าท่านเป็นผ้าห น, น, นังน่านานหลายปีแล้วค่อยตายจิตที่เป็นของจิตบริสุทธิ์ก็จะมีเวลาสักพอกทำให้กระดูกนี้กลายเป็นเป็นธาตุขึ้นมาบางส่วนแต่การมีพระธาตุหรือไม่มีพระธาตุนี้มันมีประโยชน์อย่างเดียวเท่านั้นเองคือยืนยันให้เรารู้ว่าการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจา้านี้ไม่โมฆะดีผล คือสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแน่นอนอันนี้เป็นเหมือนกับเป็นเครื่องยืนยันในเรื่องศรัทธาของพวกเราถ้าเรายังสงสัยว่ า, าพระพุทธเจ้านี่สอนแล้วปฏิบัติแล้วได้ผลจริงหรือไม่เราก็จะได้รู้ว่าได้ผลเพราะคนนี้กระดูกระเขากลายเป็นพระธาตุเพราะว่าเวลาที่เขามีชีวิตอยู่ก็ไม่รู้ว่าไปพิสูจน์ยางไรเหมือนกัน นอกจากเชื่อเขาว่าเขาบอกว่าเขาเป็นหรือคําสั่งคําสอนของเขาเป็นคําสอนที่เร า, เาไปปฏิบัติแล้วทําให้เราเป็นพาาระหลานขึ้นมาได้อย่างนี้เราก็จะเชื่อได้แต่อีกวิธีนึงก็เวลาที่ท่านตายไปแล้วก็ดูกของท่านกลายเป็นาธาตุขึ้นมาก็เป็นการยืนยันว่าท่านองนี้ท่านเป็นพาาระหลานท่านได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วเช่นพระธาตุของพระพุทธเจ้าเนี่ย คำถามต่อไปจากคุณเลขข็กค่ะขา อ, อกาสเรียนถามปัญหาค่ะสมถะกับสมาธิตั้งใจมัน่นต่างกันอย่างไรเจ้าคะไม่ต่างกันเป็นคำหมายเดียวกันสมถะมันเป็นการภาวนาสมถะภาวนาก็คือการภาวนาเพื่อให้ใจตั้งมั่นเป็นสมาธิ คำถามต่อไปค่ะการปล่อยวางจะอธิบายอย่างเข้าใจง่ายๆได้อย่างไรเจ้าคะมีเพื่อนเข้าใจสับสนว่าเหมือนเป็นการนิ่งดูได้เจ้าคะ่ะอ๋อไม่นิ่งดูได้เหรอคนปล่อยวางก็ทําหน้าที่ทุกอย่างมีหน้าที่อะไรต้องทําก็ทํามีอะไรต้องดูแลรักษาก็ดูแลไปแต่ใจไม่ทุกข์กับมันเท่านั้นองใจไม่ทุกข์ว่ามันจะดีไม่ดีมันจะอยู่ไม่อยู่ น, นี่ไม่ไม่ทุกข์กับมัน มันจะไม่ดีก็เรื่องของมันถึงมันจะดีก็เรื่องของมันมันจะอยู่ก็เรื่องของมันมันจะไม่อยู่ก็เรื่องของมันอุเบคาปล่อยวางไม่ทุบกับมันคำถามต่อไปค่ะกลับนามัสการพระอาจารย์ค่ะขอสอบถามว่าการถือสินแปดสามารถรับประทานแบรนด์ได้หรือไม่เจ้าคะก็หลังจากเชยงวันไปแล้วไม่ได้เพราะแบรนด์นี้ถือว่าเป็นอาหารเป็นกลุ่มของอาหาร พวกนมนี้ก็ไม่ได้พวกโอวัลตินพวกอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนของอาหารต้องกินของที่เป็นมีแต่ส่วนผสมของน้ําตาลนีไ้ได้น้ําตาลน้ําผึ้งพวกน้ําชากาแฟเครื่องดื่มอัดลมนี้ต่างๆนี้ถือว่าเป็นของที่ไม่ไม่ใช่เป็นอาหารถ้ารับประทานได้คําถามจากทางช่องดรวีค่ะ ขอกราบหลวงพ่อช่วยทำให้ดิฉันไม่มีความกังวลในจิตใจขอความสบายใจไม่อยากอยู่ในโลกนี้แล้วเจ้าค่ะเพราะดิฉันไร้ค่าสาหรับสำหรับทุกคนเจ้าค่ะอ๋อก็ให้คิดว่าคนอื่นก็จะเห็นเราไร้ค่าหรือไม่มันไม่สำคัญขอให้เราเห็นตัวเราว่ามีค่า ก, าก็แล้วกันแล้วการที่เห็นตัวเรามีค่าก็คือว่าเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ เรามีโอกาสมากกว่าการเป็นสัตว์เดราาัจฉานเพราะอะไรเพราะว่าเราสามารถศึกษาปฏิบัติตามคําสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าได้เรามีโอกาสที่จะบรรลุเป็นพาาาระอรหันต์ได้แต่ถ้าเราเป็นสัตว์เดราาัจฉานหรือเป็นคนที่ไม่สนใจกับการศึกษาปฏิบัติธรรมพระพุทเจ้าคนเหล่านั้นกับเป็นคนร้ข้า เราไม่มีโอกาสที่จะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวิยนว่ายตายเกิดได้แต่เรานี้มีวาสนาเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วเราได้ยินได้ฟังคําสั่งคําสอนถ้าเราน้อมนะมองไปปฏิบัติได้เราจะทําตัวของเราที่ไร้ค่าในสายตาของคนเห่นนี้เป็นของที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสําหรับตัวเราเองและสําหรับคนที่เขามองเป็นคนส่วนใหญ่นี่จะเป็นเหมือนไก่ ใจนี้จะหาแต่ไสเดือนแต่พอเจอเพชรเจอพลี่นี่จะเขี่ดทิ้งเขี่ยทิ้งนัง่นก็คือคนที่ไม่เห็นคุณค่าของพระศาสนาไม่เห็นคุณค่าของคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะไปเห็นคุณค่าของคนที่ร่ำรวยที่เป็นใหญ่เป็นโตอันนี้เราอย่าไปมองตามเขาถ้าเรามองตามเขาเราก็จะรู้สึกร้ค่าขึ้นมาถ้าเราไม่มีอะไร ใหเรามองตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามันไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอะไรแต่ท่านไม่ได้เป็นคนไร้ค่าท่านเป็นคนที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้แล้วเราสามารถที่จะทําตัวของเราให้มีคุณค่าเหมือนกับพระพุทธเจ้าได้ตอนนี้เรามีโอกาสเราเป็นมนุษย์เรามีโอกาสได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมงนั้นเรียบเวยโอกาสในสร้างคุณค่าให้กับตัวเราขึ้นมาเถอะ คำถามจากคุณสุมนาค่ะการที่เรามีโรคภัยไข้เจ็บอยู่บ่อยๆเกิดจากกรรมเก่าหรือไม่คะมันมีหลายปัจจัยด้วยกันร่างกายนี้มันบางทีไม่ได้อยู่กับกรรมเก่ามันอยู่กับเหตุการณ์ใหม่ๆเช่นโควิดชาติก่อนไม่มีโควิดหรือเปล่างั้นบางคนมาตายเพราะโควิดก็ไม่น่านรับหมายความว่าชาติก่อนเคยติดโควิดมาก่อน แต่มันมันมีเรื่องหลายปัจจัยด้วยกันที่ทําให้คนเราอายุสั้นหรืออายุยาวเรื่องการทําบุญทําบาปก็มีส่วนเหมือนกันคนทําบุญมักจะมีอายุยืนยาวนานกว่าคนทําบาปคนทําบาปจะอายุสั้นกว่าแต่มันก็มีเหตุอย่างอื่นที่อาก จ, จะทําให้มีทำให้เสียชีวิตได้อุบัติเหตุก็เป็นอย่างหนึ่งอุบัติเหตุนี้ก็ถ้าใครอยู่ในเหตุการณ์มันเจออุบัติเหตุมันก็ตายได้ด้วยกันไม่าว่าจะเป็นพระหรือเป็นใครก็ตาม คำถามจากคุณแดงสิงโตทองค่ะเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะเราทำบุญใส่บาตรเกือบทุกวันให้ทานตามกำลังปัจจัยสะสมบุญไปตั้งแต่อายุน้อยๆแบบนี้บุญกุศลจะติดตัวเราไปถึงพบหน้าหรือไม่เจ้าคะทุกทุกอย่างที่เราทำทุกอย่างที่เราให้เนี่ยบุญทุกการที่เราทำนี้เป็นของเราหมดเลยเราติดตัวของเราไปได้ จากคุณปอยเซียนค่ะนั่งสมาธิแล้วเผลอหลับบ่อยครั้งพ ย, พยายามพยามให้มีสติไม่ให้พังเผลอแต่ก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแบบนี้ต้องแก้อย่างไรเจ้าคะนั่งสมาธิแล้วหลับเลยใช่เค่ะเผลอหลับบ่อยเจ้าค่ะก็อย่างที่พูดนะ่ยก็ต้องมันฝึกสติให้มากๆก่อนที่จะมานั่งแล้วถ้านั่งแล้ว ย, ยังหลับอยู่ก็ต้องมีเหตุอย่างอื่นเช่นกินอาหารมากเกินไปกินอาหารมากเกินไปมันก็ทําให้ง่วงได้ ยังก็ต้องลดการรับประทานอาหารลงเช่นถือศีลแปดไม่กินอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วพอตกเย็นมันก็จะไม่ไม่ง่วงนะมันหิวนะ้มันก็จะนั่งสมาธิแล้วก็จะไม่หลับสิวิธีเนี่ยก็คือถ้าเกิดนั่งแล้วหลับก็ให้ลุกขึ้นมาเดินจงกรมแทนเดินสมาธิแทนแทนที่จะนั่งสมาธิก็เดินสมาธิเดินไปพุทโธไปเล็ดดูเท้าไปซ้ายขวาซ้ายขวาไปก็ได้ คำถามต่อไปค่ะเวลานั่งทำงานอยู่ที่บ้านลูกเปิดธรรมะไปด้วยหรือว่าลูกควรจะมีสติจดจ่ออยู่กับการที่ทำงานอยู่อย่างเดียวเจ้าคะควรจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งจะได้ประโยชน์กว่าทำงานก็ทำมันร้อยเต็มเต็มร้อยไปเลยนฟังทำก็ฟังเต็มร้อยไปเลยถ้าทำทั้งสองอย่างมันก็ได้ห้าสิบห้าสิบงานก็ห้าสิบธรรมะก็ได้ห้าสิบไม่สมบูรณ์ คุณสุดใจปราพานค่ะการที่มีคู่ชีวิตที่อยู่ด้วยกันมาหลายสิบปีแล้วบ้านปลายเขาไม่สบายนอนติดเตียงเราต้องคอยดูแลแบบนี้เรียกว่าเจ้ากรรมในเวรหรือเปล่าเจ้าคะเรียกว่าเรารักเขาเราถึงอยู่กับเขาถ้าเราไม่รักเขาเราก็ทิ้งเขาน่ตอนนี้หมดแล้วกรหมดแล้ ว, ลวใช่ถ้าเรายังเลี้ยงเขาอยู่แสดงว่าเร า, เรายังรักเขาอยู่เราก็เลี้ยงเขา บางคนสามีภรรยาติดเตียงก็บายบายไปก็มีแสดงว่าเขาไม่รักรักเฉพาะแต่เวลาที่เขาได้ไประโยชน์เวลาที่เขาไม่ได้ไประโยชน์เขาก็ทิ้งเราไปหาเชิญเข้ามามีคำถามนะคำถามนะคะหากปฏิบัติสลับกันพุทโธดูลมหายใจยุกหนอพองหนอในวันหนึ่งหนึ่งเพราะเหตุปัจจัยให้ปฏิบัติแต่ละแบบ ในวันนั้นนั้นต่างกันค่ะจะเป็นการควรหรือไม่เจ้าคะหรือควรปฏิบัติแบบเดียวท้องวันเจ้าคะกับนามสการ์เจ้าค่ะอถ้าอยู่ในท่านั่งนี่ก็เวลานั่งแล้วก็ควรจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นถ้าเราดูลมก็ดูลมไปแต่ถ้าเราดูลมยังดูไม่ได้เราจะพุทโธไปก่อนก็ได้พุทโธไปจนั้ารู้สึกว่าเราพอดูลมได้เราก็หยุดพุทโธแล้วดูลมอย่างเดียวก็ได้ ก็มีการปรับได้บ้างตามโอกาส mm hmm. แล้วแต่ mm hmm. ก็ลอง mm hmm. ทดลองดูก็แล้วกันว่าวิธีไหนแบบไหนจะทำให้เราได้ผลดีแล้วก็วิธีนั้น mm hmm. จากคุณณวินค่ะเรียนถามพระอาจารย์จเจริญสติด้วยพุโทโธตลอดทั้งวันจเจริญสมาธิตอนฟังเทศการจเจริญปัญญาต้องทำอย่างไรครับก็ตอนฟังเทศนี่ก็เป็นการจเจริญปัญญาไปด้วยฟังแล้วก็คิดตามไป คิดตามที่ท่านแสดงไว้ว่าทําอย่างนี้แล้วจะได้อย่างนั้นนะถ้าไม่ทําอย่างนี้ก็จะไม่ได้อย่างนั้นถ้าเราคิดตามและเข้าใจเราก็จะได้ปัญญาจากคุณเอกชัยค่ะการฝึกวิปัสสนาหรือการเจริญปัญญาคือการนึกคิดพิจรารณาใช่ไหมครับใช่เป็นการสอนใจเอาความจริงมาสอนใจว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราอันนี้วิปัสสนา จากคุณนิวเคลีย์ค่ะดิฉันมีเรื่องมารบ ก, กวนพระอาจารย์ค่ะคือญาติที่ตายไปแล้วมาเข้าฝันอยากได้บ้านต้องทําอย่างไรถึงจะส่งให้เขาเขาถึงจะได้รับบ้านที่เขาอยากได้คะก็ซื้อบ้านกระดาษแล้วก็เผาส่งไปเดี๋ยวโทรศัพท์คืนเข้าไปเขาจะได้ก็อย่างคนเจนเนี่ยเขาส่งเขาเผาเผารถเบนซไปเผาบ้านไปเผ า, า, าคอนโดไป คุณวาสนาค่ะการฝากเงินร่วมทาบุญกับคนที่เขาใส่บาต ท, ทุกวนันเราจะได้บุญเหมือนเราใส่บาตเองหรือไม่คะการฝากคนอื่นทาบุญให้เราใช่ค่ะฝได้ถ้าเป็นของของเรา <ฮะ S 1> เป็นขอ ง, ของเรา<ๆ>เราก็ได้มีแล้วจะ ม, มีแล้วน ะ, ะมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมถ้าไม่มีก็จะได้ยุติการสนทนาธทมไวเพียงเท่านี้